ความดีข้อที่2คือการทำความดีโดยบริสุทธิ์ใจหรือการทำความดีโดยแฝงด้วยเจตนาใดๆสมัยนี้คนส่วนมากชอบคนที่มีนิสัยไม่ดื้อรั้นว่าเป็นคนดีแต่นักปราชญท่านมักจะชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองเพราะคนชนิดนี้มักจะสอนง่ายแต่หาได้ยากมากคนที่ว่านอนสอนง่ายชักจูงอย่างไรก็ไปอย่างนั้น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 จึงจะเป็นความดีโดยบริสุทธิ์หากเราทำความดีเพื่อเอาใจผู้อื่นก็ดีหวังการตอบแทนก็ดีก็ไม่ใช่ความดีที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจเสียแล้วเป็นการเสแส้งเพทุบายเพื่อหวังประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์จะถือเป็นความดีแท้ไม่ได้